อ๋อลองทํากันมันจะประกอบกับรนช้จ้างปิบัติจร <c oughs> งกันเราพวกเรากันลังทําอยู่หลายอย่างจะมาประกอบเพื่อเปลี่ยนลูกเป็นส่วนที่ผิติทุกข์ นอกจากในทัวร์มันเองเกิดความหลงก็ต้องมงีความรู้เป็นส่วนประกอบความหลงเป็นส่วนประกอบไม่เกิดความรู้เราได้อ ย, ยู่ในฟองเป็นส่วนประกอบให้เราได้รู้ทิศรู้ทางได้เอาไปปฏิบัต การปฏิบัติคือการเปลี่ยนสิ่งที่ผิดให้เป็นสิ่งที่ถูกทุกลูบแบบที่มันเกิดอยู่กับกากับใจเรานี่อย่าปล่อยทิ้งไว้มันจะจงหงงามจึะสําเบ็ดได้เ <c oughs> <c oughs> มืเ่อเปลี่ยนความผิดเป็นความถูกทุกลูบทุกแบบที่มันเกิดจากกายจากใจเรา ความผิดต้องดความผิดมดันอาจจะหมดไปเรื่องตัวก็งอกงามขึ้นมาเป็นหลักธรรมชาติของความเป็นจริงเป็นเช่นนั้นเราไม่มีการปฏิบัติมีการกระทำให้เกิดขึ้น ก็ไม่สำเร็จจักทีหอว่าจะเป็นเรื่องใดต้องเปนส่วนประกอบการทำอย่างปฏิบัติทำหรือการตามรูปแบบกรรมฐานมีการกระทำเกิดขึ้นเป็นที่ตั้งเอาไว้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 มก็จะมีวมเป็นธรรมและสัมผัสกับความเป็นธรรมเมื่อสัมผัสกับควมเป็นธรรมก็จะได้เรียนรู้เรื่องความไม่เป็นธรรมที่มันเกิดกับกายกับใจว่าวันตั้งไว้ถูกก่จอเลือกเป็นสัมผัส บทเรียนจากการสำบัดการสำบัดนี่คือมีความรู้จึกตัวไปที่ตั้งไปสำบัดกับความรู้จึกตัวไปในกายโดยการวิชากรรมฐานเคลื่อนไหวตามบอบภาของการฝึกหนัดที่พระเจ้าได้หัดมาจนถึงเป็นพระเจ้า ก็กายเป็นที่ตั้งข อ, ของความรู้สึกตัวทุกรูปทุกแบบเรียกว่าบัพพาสัมชัญญะบัพพาการเคลื่อนไหวจิตต บ, บัพพาการเคลื่อนไหวของจิ ต, ตา ม, มาเป็นความรู้จึกตัวอนาปบาบาัพพาการเคลื่อนไหวของลมหาย ใ, ใจ มาเป็นความรู้จักตัวเราชีวิตเราที่ผ่านมาไม่ค่อยเอาจริงวันนี้มาสร้างความรู้จักตัวเราก็มาค่อยจะได้ประโยชน์จากบัพพะต่างๆเดินฟรีหายใจฟรีชิดรีฟรีปาเทือนที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจเรา เอาไหลมาแล้วหลงเอหลงกี่ล้านอ๋สงขหลงโกดกี่ล้านสงเรยโกดไม่เคยลู้สิกตัวมั้กก็อยู่เช่นนั้นอาจจะงอกงามขึ้นในความผิดตัวไม่ถูกต้องเคยพฤติการที่ใจ ย, ยิ่งสิ่งเงล้อไม่ดี ก็ยิ่งจะงามไว้เป็นตัวเป็นตนเต็ไมไปหมดเลยเพระไม่เคยปลือหั ด, ดถ้าเราเปลืงหัดก็ก็จะทำเรื่องผวดมวย้สึกตัวเต็ไมไปหมดแทนที่ก็ไม่ถูกต้อง ผมไม่ถูกต้องก็อยู่ไม่ได้เองการสัมผัสเท่นนี้แล้วว่าปฏิบัติธรรมเอาไปต่อเอาเมื่อมีการกระทาลงไปจริงๆสัมผัสจริงๆในคราวเดียวกันตรงกันข้าม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 หลายๆอย่างเป็นรูปเป็นแบบเป็นสิ่งแวดล้อมแมอกระทั่งได้ยินได้ฟังจากผู้รู้ผู้คอยฝึกโดสยสาทธย่อยพระสูตรที่เป็นความถูกต้องที่สุดรพระสูตรที่เราได้เฉ ย, ยออกมาจากพระหัวของพระเจ้าไม่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 พูดออกมาเป็นเรื่องที่ถูกต้องคิดออกมาเป็นเรื่องที่ถูกต้องได้รูรูปเดิกตัดตนสอนตอนไปถึงได้ประกอบด้วยเมตตาลงดูออกหน้ามีเมตตาออกหน้า ผู้เชยใดไม่เมตตาออกหน้าทำเจีงใดมีเมตตาออกหน้าพราะมีสติมันก็เกิดเชนนงนี้ได้ถ้าไม่มีสติรู้จักตัวก็มีแต่โทโสโมหัวขมหลง อ, อกหน้าออกตาตาเห็นลูกพอใจไม่พอใจหูที่ยินเสียงไม่พอใจพอใจ ยินดียินลายไปทางนั do, ่นสซะเขาก็เดินทางมาผิดตลอดคิดเฉยๆก็เป็นทุกข์ได้คิดเฉยๆก็เป็นทุขได้คิดเฉยๆก็เป็นกิเลสตัณหาได้เพราะไม่เคยฝึกให้มันคิดสมสอนโสเพณีคิด จิตสมสอนคิดได้ทุกรูปทุกแบบไปรูจกกาลเทศะไ่รู้จักอายความคิดเป็นชีวิตที่น่าดานไปอายแต่คนอื่นไปอายตัวเองที่มันเกิดความชั่วในกายนี้ใจนี่ถ้าไปอายคนอื่น ทำดีไม่สําเร็จลอยชั่วไม่สําเร็จแล้มีสติมันจะละอ่อยพบายสตีมันตั้งไ่แล้วเจ้าของแล้วเป็นธรรมที่สุดแล้วถูกต้องที่สุดแล้วมันลูกแบบไหนมันก็ละอ่อยเมื่อมันอ่อยมันก็ทําไม่ลงคิดไม่ลงเบื่อเปลื่น โดยเฉพาะความคิดเป็นกลรรมตัวใหญ่เป็นหมายเลขหนึ่งถ้าเป็นจำเลยก็หมายเลขหนึ่งเราไปพ่อยใจใจเพราะไม่มีสติไม่เห็นไอ้คุมแต่กายวาจาแต่โทษก็ออกแต่กายแต่วาจาไม่ปรับโทษเรื่องใจ ลากฐานจริงๆที่ออกมาทังกายธรรมชาตมาจากใจที่มันชิดทวาลของใจคือมันชิดนี่มาค่อยมีใครรู้จักทาไม่ฝึกตนสอนตนไม่เรียนรู้เรื่องกรรมฐานตามทางพระเจ้าได้เกิดอุบัติขึ้นในโลกคือกรรมฐานเรียนรู้แต่เรื่องอื่นดิฉินก็ปรับกันทางกาย ทุกเป็นโทษติดพุกติดลาลางก็ปรับกันทั้งกายทั้งวาจาออกกายเป็นโทษหนกักกว่าจจเป็นโทษหนกักจริงออกมาจากใ จ, จเหมือนกับเหมือนชั่วเหมือนกับใบไม้ แต่คนเชื่อก็ที่ไหนก็ปิดใบไม้ออกฆ่าทิ้งซะชั่วเกิดมืดมาหลายครับกันกับใบไม้ปิดใบไม้หรือควบคุมแต่ใบไม้ที่จริงมันมีลากมันมีต้นอยู่มันจึงเกิดใบขึ้นมาเรื่อยๆความชั่วความดีทำไม่ฝึกจิตใจไม่มีสติเห็นจิต มีสติเท่านั้นที่เห็นจิตที่มันคิดคนอื่นไม่เห็นเราเห็นนี่วิชากรรมฐานจังไมชเป็นวิชาที่เปิดเผยเหมือนกับง้อยของที่วอมปิดเปิดเปิดของที่เปิดออกบอก คิดทางแห่งคนหลงทางตองแสงสว่างในที่มืดสติไปอย่างนี้ไม่มีตรงไหนปิดบางกำบางในกายในใจเรานี่ยเลยเห็นทุกรูปทุกแบบเมื่อเห็นนั่นก็ทิ้งไม่ได้ถ้ามีสตินะมันทิ้งไม่ได้เห็นผิดปล่อยทิ้งความผิดไปในกายในใจไม่ได้ ถ้าเห็นความถูกก็จะทิ้งไว้เฉยๆไม่ต้องประกอบขึ้นมาให้เป e, oi like, ็นสมผัตแล้วก็เหมือนกับเจ็บเอาความถูกต้องทิ้งความผิดออกไปทุกรูปทุกแบบถ้าฝึกกรรมฐานดทิ้งอะไรที่เห็นอะไรประสบการณ์เรื่องที่ดีไม่ดีเกิดกับว่าใจมากมาย เปิดความขยันหมั่นเพียรม่รสชาติแห่งพระธรรมขึ้นมาจะมาลุกจากหลับจะนอนละ่ะอไม่ใช่ไม่ใช่ยากว่าะฉะลำบาารันประตืหลือล้นเป็นกรอบเป็นกมขึ้นมา ทำอะไรก็ต้องสำเร็จเช่นนั่นเมื่อความไม่ดีมันสำเร็จลงไปทำได้ิทิ้งลงไปแล้วความดีเกิดไปแทนผู้ปฏิบัติก็ต้องเห็นเองรู้เองเป็นปัจจตังของผู้ปฏิบัติความเทศความจริงไม่ต้องมีคำถามเกิดขึ้นที่การที่ใจเรานี่ ไม่มีทีไหยตัวใครตัวมันต้องทำเองทำมันพระผู้มีพระภาคเจ้าตัดไปดีแล้วผู้ศึกษาปฏิบัติเพิ่งทำด้วยตนเองวันที่วัดได้ให้ผลได้ไม่จำกัดการควรน้อมตัวเราก็าไปโดยเฉพาะเราเป็นนักปวดเนี่ยมีโอกาสเต็มที่น้อยเปอร์เซ็น ในเีพนี่โดยตรงน้อมเข้ามาหาเราน้อมเราเข้าไปน้อมผัดทุกโอกาสริงเรล่องมก็ช่วยเราเรหลายอย่างเราก็ในตัวเราก็มีนอกตัวเราก็มีสร้างขึ้นมาได้ในตัวเราเนี่ยร่างกายธราจมชา้างใจงใจก็คิดเป็นพุทธานุสติคิดถึง พระพุเจ well, ้าทํามานุสติคิดถึงธรรมถึงดอนคถึงจีนคิดถึงแม้กระทั่งความเจ็บเกิดเจ็บเจบตายเป็นโจทย์ที่ฟ้องเราอยู่ความหลไม่ได้แต่ความหลงก็เป็นโจทย์ตัวหนึ่งความโกรธความโลกของใตั้งหนาก็เป็นโจทย์ รู้ความทุกข์อย่างเอาแล้วมีความทุกข์เป็นเบอร์หน้าแล้วถูกวงล้อมอยู่เหมือนกับคนอยู่ในกลางฝอยไว้ไม่รอดเป็นทําไงเคยดับไวย่ไปคนเดียวโมจะลบไปคนหนาข้างหลังมันเกิดขึ้นมาอีก่ แล้วมองไรแล้วก็จะยอมอยู่เช่นนั้นไม่ได้ยอมเจ็บปวดนิดหน่อยก็กระโดดไปทางที่มันไปไม่มาไปที่มันไม่ไปข้างหน้ายังมีป่าจะกระโดดไปทางนั่นก็มองเห็นที่เดินทางวะไปที่มันใหม่มาแล้ว มันมีแต่เราอยู่ข้างหน้าไปโดดไปข้างหลังไปเจ็บปวด น, นิดหน่อยขนตาลวกไปแต่มันก็ไม่ตายเป็นคนมีความทุกข์ยอมทุกข์ สวนทางมาลงดูออกไปทางนั่นละปฏิบัติต้องสวนทางต้องเก่นก็ทลาไกลโดดได้ไกลกว่าเวลาอื่นเวลามีหนาเวลามันทุกเกิดขึ้นก็โดดได้ไกลกว่านี่ชีวิตผู้ปฏิบัติ กล้าทั้งสนุกสนานคนแขนกล้าก็มีศรัทธาต้องแข่นกล้าในความเพียรต้องแข่กล้าตลาดได้กลายเชื่อมัน่นเวลาเราปฏิบัติไม่มีอะไรน่ากลัวเลยมองอะไรรีบปลี่ กิเลสเหมือนหมาตัวหนึ่งสวัสดินที่ว้อนเหมือนแมลงตัวหนึ่งสติเหมือนนอกเินสีกิเลสเหมือนหมาสติเหมือนช้างมองแบบยิ่งใหญ่เพ่มนะ็มีสตินะมีกรรมฐานไปที่ตั้ง ไม่ได med um, um, um. ้ปอเแต่ง่วงเหงาหอนอนเชื่อมแข็งตัวนั่นขึ้นมาตรงไหนจุดโดนมันเชืมแข็งนักปฏิบัติจริงๆนะไอปัจนาจริงๆนะมันถึงบางอ่อืมอืมอืมอืมันเชื่อมแข็งอื้อเนี่ยมันตัวอื้อในมันเชื่มแข็งนะมันมีอำนาจ เราจึงฝูกจนสอนตนตัง้งชีวิตล่ำดําเนินไปประกอบด้วยเรามันหลงประกอบความไม่หลงในเขาเดียวกันเรามันทุกข์ประกอบความไม่ทุกข์หวือล้มันเกิดอะไรขึ้นมาประกอบก็รู้รจึกตัวรู้จึกตัวไปเพว่าที่รู้จึกตัวนี่มนันเลยทุกอย่างในสิ่งที่มันผิดเกิดเกรีกรายจากใจเรานีง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 ประกอบมันขึ้นมามันมีจริงๆความรู้สึกตัวเนี่ยรู้เฉินเข้าเหยียดฉันออกเป็นสิงเหอนนองที่อยู่ใกล้ๆตัวเราเหมืนนกซาลิกาสองตัวตกอยู่ใน ลมพัดไปเป็นตกอยู่ในฤาษีฤาษีเรี้ยงไว้ฤาษีก็แผ่พระสวดมนต์แผ่เมตตาสัพเพชัตานกก็ได้ยินเมื่อนกกอริกาได้ยินก็พูดออกมามเมตตากรุณาช่วยเหลือว่าตามฤาษีไปก็เลยว่าเป็นสแสดงทุกิยามาญาต ไปแบบปลือสีก็มันอยู่ใกล้คิดสิ่งแวดล้อมก็แสดงออกเราอยู่เฉยๆนิ่งๆมันก็ไม่มีอะไรพูดไม่เป็นให้เหมือนกับนกตัวหนึ่งก็ตกอยู่กับหมูโจรโจรมันก็บอกว่าข้ามันตีมันกูเหยียบมันกูแทงมันกูยิงมันกูตีมันเขียงกัะหน่แบงมัับมันนกน้อยได้ยินก็ แรงออกเวลามันโจนมันพูดถึงข้ามันก็เหยียบมันก็แสงถึงความค่าเตะลงไปยิงไปแทนงไปนกสลิกาน้อยตัวก็หัดได้ยิน้ก็มาหาดตัวเองกลายเป็นดูล่ไปเห็นคนมาพักกับกันโจนไปได้แต่ตัวนกสลิกาอยู่กับือสีนี่พูดออกมาไม่แต่มตาคุนา นี่ชิงวันร้องวันสอนตัวเราถ้าเราเรียนรู้จากความไม่ดีว่ามันโกรธก็โกรธแสดงความเป็นโจรถ้ามันทุกข์ก็ทุกข์แสดงความเป็นโจรในตัวเรานี่คบแบบนั่นก็เป็นแบบนั่นถ้ามันโกรธขึ้นมาก็รู้จักตัวซะ เบื้โกดทำมาเกิดเวื้องหมอนน้มเปยตากรุณากันได้น่าสงสารคนที่มาด่าเราเขาไม่รู้เขาจึงด่าเรามองข้างหลังเขน้นมีเบื้องหน้าเบื้องหลังเป็นคนที่น่าจะให้อภไปเป็นคนที่ควรช่วยเหลือไม่ถือสาหาเรื่องคนแบบนี้ก็คิดเมาได้ตัวนั่นทันทีแทนที่จะกลัวเขาคิดจะช่วยเขา อุลปเจ้าช่วยองค์คริมานองค์คริมานถือดาบไล่ฟันอยู่โยชนูเจ้าไม่ไม่ได้โกรธเลยเอาชีลอูคริมานเข้าใจผิดเลยเชียวแล้วเราเคยทําบาปทํากรรมแม้ใครทำไหมจะมาไล่เราข้าเราเข้าใจผิดไปพ่อตออกะเราหยุดแล้วเราหยุดแล้ว เธอยังไม่ได้หยุดเธอไม่ได้หยุดหยุดเลมันวิ่งอยู่หยุดเลมันวิ่งอยู่เราหยุดทำบาปทำกรรมทำชั่วแล้วเธอยังถือดาบไล่ฟันเราอยู่เธอยังไม่หยุดนี่เันคิดจะช่วยเหลือเหรือไม่ใช่บ่ไปโกรธเขาไปสอนขนาดนั้นโอ้ที่หมาก็ได้ยินขึ้นมาโอ๊ย ก่อนนี่จิงได้ยินคำพูดอย่างนี้หนูต้อได้ยินต้งวิ่งวิ่งเลยออกเลทิ้งอบลงบคิดว่าเออได้ยินแต่ว่าที่ทัศนรถของพระเจ้าโททนะออกขวดแล้วจัจรู้ว่าจะเป็นรูปนี้หรืมั้งสำนารูปนี่ลรืมั้งคิดไปก็ร้องงมร้องไห้เียใจ อ้เป็นคนดีขึ้นมานะว่าฝึกตนสอนตนเหมันเปลี่ยนได้คนเราห ม, มุกันกานรฝึกตนสอนตนนี่ได้ประโยชน์จากความไม่ดีเป็นความดีได้ประโยชน์จากความผิดเป็นความถูกอยู่ที่ไหนอยู่ในตัวเรานี่ตํำลาเนี่ยอยู่ในนี้ผู้เจ้าศึกษาเรื่องนี้ ไม่มีครัวจานไหนหลืออยู่ในตัวเรานี่ถ้ามีสติแนละเราจึงมาเป็นเพื่อนกันในเรื่องนี้มีอะไรก็ถ่ายถามกันเป็นมิตรเป็นเพื่อนกันถ้าทาอย่างนี้ไม่ผิดแน่นอนมิได้เกิดขึ้นมาอาจจะเป็นปวดเรียนที่ได้จากตัวเองมากที่สุด บทเรียนจากคนอื่นใ้นประกอบไปด้วยบทเรียนที่เกิดจากตัวเรานี่ยเราสอนตัวเราดีกว่าคนอื่นสอนเป็นอย่างนี้ปฏิบัติทำเอาผสมขวนใจเวลาทาพระฟ้อมกัน